หรือพูดกลับนครับว่ามนโนกติจะถูกค้นพบได้ผ่านทางรูปธรรมเท่านั้นถ้าใจ่ไหมครับเราจะนั่งคิดเอาไม่ได้ครับโอ้ยผมทําบุญมามากดังนั้นผมคิดว่าผมนี่เป็นคนใจดีมากๆไอ้นี้เราคิดเอาแต่เราจะค้นพบมนโนกติที่ดีที่สมบูรณ์นั้นผ่านทางรูปธรรมเท่านั้น จากรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่อดทนสูงสุดเพียงใดครับลองทำอะไรก็ได้ครับทีนี้ปัญหาผมคิดว่าจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะไม่รู้จักตัวเองเลยถ้าเราไม่ปฏิบัติทำเท่านี้ครับเนื้อหาที่จะพูดช่วงต้นว่าตัวเราเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับมันโยกโคกังตลอดเวลา วาตัวเรามักจะขึ้นกับสภาพแวดล้อมบางคนห้าปีผ่านไปเนี่กลายเป็นอีกคนหนึ่งเขา้าจไหครับหรือเพียงปีเดียวหรือเดือนเดียวนี่พูดก็ไม่รู้เรื่องแล้วครับเพราะความเปลี่ยนแปลงในภายในแต่ว่าถ้าคนใดที่เจริญสีแล้วนะครับเข้าถึงสภาพตายตัวนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงครับเพราะมโนกติได้ถูกพิสูจน์ผ่านทางการปฏิบัติเข้าใจไหมครับ ผมเชื่อเอาเองนะว่าเข้าใจได้แล้วทีนี้ต่อคาถามที่สองว่าแล้วเราจะทำอะไรดีเพื่อที่จะได้รู้จักตัวเองถูกต้องต่อเรื่องนี้นั้นผมจะเล่านิทานอีกสักเรื่องนะึงจะดีดไหมครับนิทานเรื่องนี้นั้นเป็นนิทานของตอนสตอยครับซึ่งซึ่งผมชอบมากๆคือมันให้อะไรที่ ที่เด่นชัดมากแล้วก็ง่ายมีพระราชาคนหนึ่งครับองค์หนึ่งขึ้นรับราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหม่แต่ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ดีมีสานึกมีความรับรับผิดชอบสูงดังนั้นจึงเกิดคำถามขึ้นสามข้อในใจของพระองค์ว่า มนุษย์เราควรจะทำอะไรดีควรจะทำสิ่งใดดีแล้วควรจะทำกับใครดีแล้วควรจะทำเวลาไหนดีก็เรียกนักปราศราชบัณฑิตในราชสำนักมาถามแต่ละคนก็มีคำตอบต่างๆมานานักปราศบางคนบอกว่าเราควรจะขยายอาณาเขตให้กว้างขวาง บางคนก็ตอบอย่างนโนนตอบอย่างนี้พระเจ้ามดินไม่พอพระทัยเลยนะครับเพราะรวนแล้วแต่ไม่มีเหตุผลเพราะพระเจ้ามดินคนฉลาดมากพระเจ้าแดินก็ค้างปัญหานี้อยู่ <c oughs> มนุษย์เราควรจะทำอะไรดีมนุษย์เราควรจะทำสิ่งดีนั้นกับผู้ใดก่อนอื่นแล้วควรจะทำในเวลาใดดีด ต่อมาได้ยินข่าวที่ภูเขาลูกหนึ่งครับมีฤาษีที่เป็นคนมีปัญญาสูงอยู่รูปตนหนึ่งรูปหนึ่งพระเจ้า บ, บันดินก็คิดจะไปถามปัญหานี้แต่ก็คิดว่าถ้าไปภายใต้เครื่องแบบของพระเจ้า บ, บันดินก็คงได้คาถามได้คาตอบซึ่งไม่เด่นชัดอยากกันนั้นเลยต้องปลอมเป็นราษดอสามัญ พระเจ้ามผดินก็ปรอมกายเป็นชายตัดฟืนแต่พร้อมคนนั้นจริงๆพระเจ้าแดินมีศัตรูมากก็เลยให้ทหารราชองครักษ์ปลอมกายไปด้วยครับปรอมตัวไปติดตามไปหาเพื่อคุ้มครองอันตรายให้พระเจ้ามดินไปถึงตีนภูเ ข, ขานั้นเวลาเย็นมากแล้วครับ รับสั่งให้พวกทหารที่ปลอมกายมาเป็นชาวบ้านนั้นลายล้อมที่ตีนเขาไว้แล้วตัวเองโดยผู้เดียวขึ้นไปที่ที่ฤาษีอยู่พอขึ้นไปถึงก็เป็นเวลาที่พระเพรก็ดีก็เห็นชายแก่คนหนึ่งนั่งหอบอยู่ข้างๆกระท่อมดินก็เพราะว่าฤาษีนั้นผอมมากครับ แล้วปลูกผักกินด้วยตัวเองมันยอดดอยผูช้ชายมาดิ น, นั้นเป็นคนเอื้อเฟื้อมากๆนะฮะก็เห็นฤศีกําลังจวกดินโคเกกโคเก ก, ก, เ ก, กตามภาษาคนผอมๆก็เข้าไปช่วยครับช่วยคือดินเสร็จพอได้โอากาสก็ถามฤศีว่ากระผมได้ยินว่าท่านเป็นคนมีปัญญามากใครจะถามปัญหาสักข้อหนึ่งว่าคนเราควรจะทำอะไรดี ทำกับใครก่อนดีแล้วทำเมื่อไหรด่ดีในสีก็มองหน้าแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรเจ้าดินเป็นคนสุภาพมากพราชามคนสุภาพมากคิดว่าเราถามงนี้ท่านยังไม่เต็มใจจะตอบเราก็ต้องรอแล้วขออนุญาตขอพักค้างบนภูเขาในกระท่อมอีกหลังหนึ่งกระท่อมสำรองนะเผื่อว่ามีโอกาสเหมาะขอะไราจะได้ถาม คือนั้นเนื่องจากพระเจ้าแผนดินช่วยขุดแปลงผักหรือสีนะครับเมื่อพระองค์ท่านก็ไม่ใช่ชาวนาชาวสวนก็ล้มกายลงหลับแต่หัวคข่าเลยด้วยความเหน็ดเหนื่อยตกดึกขึ้นมานะฮะรู้สึกมีประตูเนี่ยมันเปิดผางลงมาแล้วก็มีชายผู้หนึ่งมีเลือดโชกทั้งตัวมาล้มลงที่หน้าเตียงของพระเจ้ามนดินพเจ้าแนดินก็ตกใจลุกขึ้น ที่แรกคิดว่าเป็นศัตรูก็เห็นเป็นชายซึ่งบาดเจ็บนักก็เลยสลัดความง่วงเหงาเหานอนครับก็ช่วยชำระบาดแผลพันโน้นพันนี้กว่าจะเรียบร้อยก็ดึกโขนครับ พ, พระเจ้เนเพลียมากก็เลยล้มตัวลงนอนหลับสนิทตื่นอีกทีใคล้สว่างครับแต่ตื่นคราวนี้ น่าตกตะลึงมากเพราะว่าชายคนที่พระองช่วยไว้นั้นกําลังเงื้อมีดจะแทงลงที่หน้าอกของท่านแต่ว่าทันใดนั้นชายที่บาดเจ็บนั้นก็โยนมีดทิ้งแล้วก็ก้มหัวลงขอขามารเจ้าดินก็งงมากไม่เข้าใจเลยชายคนนั้นก็อธิบายว่าแท้ที่จริงข้าพระพุทธเจ้าเป็นน้องชายของ ข้าพเจ้ามีพี่คนหนึ่งซึ่งพระองค์ท่านสั่งให้ประหารชีวิตแล้ววันนี้เขาสืบทราบมาว่าพระเจ้าแผ่นดินป้อมพระองค์มาที่ภูเ่าลูกนี้เขาก็เลยคิดจะมาล้างแค้นให้พี่ชายแต่มังเอินถูกพวกราษฎรษที่ปลอมกายเิชาวบ้า น, นจับได้แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายสาหาัสแต่เขาก็หนีขึ้นมาจนได้แล้วพอ เจ้าบดินช่วยเหลือไว้เขาก็รู้ว่าพระเจ้าบดินช่วยเขาแต่ระตกดึกความแค้นที่พี่ชายถูกฆ่าเขายังคุกรุนเลยเขาคิดจะฆ่าตั้งหลายครั้งแต่พระเจ้าบดินนี่หลับยังไม่รู้ตัวแต่เขาทำไม่ลงเพราะเขาเนีมาเห็นประจักษ์ว่าแท้จริงพระเจ้าบดินเป็นคนดีมา ก, มากๆเข้าใจหมครับตกลงพระรุ่งช้าขึ้นมาสุราชารือพระเจ้าบดินก็ รีบไปหาฤษีแต่เช้าจะเล่าเรื่องให้ฟังแล้วพระเดลกาเขาถามว่าผมมาที่นี่เนี่ยอยากถามปัญหาสามข้อคืออนุษย์เราควรจะทําอะไรดีควรจะทํากับใครดีและทําเมื่อไหร่ดีฤศีที่นี่ฤศีเขายิ้มครับก็บอกคําตอบมีอยู่เรียบร้อยแล้วต้องมาถามอาตมาทําไมพระเจ้าดินง ง, ง่ากครับไม่เข้าใจเขาบ ก็ครั้งแรกสุดที่เธอเห็นเรากำลังขุดดินเธอก็เข้ามาช่วยดังนั้นคําถามข้อที่หนึ่งก็ได้รับคําตอบเลยว่าเราควรจะทําอะไรดีเราก็ควรทําความดีนั่นเองเข้าใจไหมแล้วพระองค์ท่านก็ปฏิบัติอยู่แล้วนี่นะทุกครั้งอย่างคนป่วยเจ็บสาหัสขึ้าพระองค์ท่านก็ทําดีนี่นะแล้วคําถามที่สองที่ว่าควรจะทํากับใครดีก็ทํากับคนที่อยู่ข้างหน้าเราอย่างไรล่ แล้วท่านก็ปฏิบัติอยู่แล้วนี่นะและ้วทําทําเมื่อไหร่ดีก็คือในปัจจุบันทันใดนั้นยังไงละ่ะพระเจ้ามผ่นดินก็หัวโล่งกันมาทันทีรีบกลับพระราชวังได้หลักที่จะปฏิบัติในชีวิตแล้วมนุษย์เรานั้นควรจะทําสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ดีนั้นไม่ใช่เพียงมนโนคติลอยๆครับคือต้องทํากับคนที่อยู่ข้างหน้าเราเช่น คนบางคนจะไปวัดทะาลาะกันเองสิงก่อนคนอยู่ข้างหน้านี่เรียกว่าฟาดกันเพื่อจะไปทำความดีอย่างนี้เรียกว่าทำไม่ถูกต้องครับคนบางคนเป็นนักอุดมคติมีอุดมคติสูงต้ไม่ยอมเอื้อเฟื้อให้คนก่ซึ่งขึ้นรถเมล์แล้วไม่มีที่นั่งโหนตรงต่างคิดจะทำความดีแต่ว่าคนอยู่ข้างหน้านี่ไม่ยอมเห็นและไม่ยอมทาด้วยเข้าใจไหครับ ดังนั้นเราต้องทำสิ่งที่ดีแล้วต้องทำสิ่งที่ทดีนั้นกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราครับไม่ใช่อีกสิบปีค่อยทาหรือไปทํากับคนโน้นซึ่งอยู่ไกลไปถึงเชียงรายนเะมื่อ <c oughs> เราขึ้นรถเมล์นะครับเราควรจะทำสิ่งดีๆ <c oughs> ก็ทำกับคนที่อยู่ข้างๆหรือคนที่อยู่ข้างหน้าเรานั่นเองว <c oughs> ันนี้เรานั่งติดกับใคร เราก็ทําสิ่งดีๆกับคนที่ใกล้ตัวเราเมาื่อเราทําสิ่งที่ดีกับคนที่ใกล้ตัวเราชื่อว่าเราได้ปกป้องทิศ ท, ทั้งหลายไว้แล้วไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นอย่างในทิท 6, ศหกคือสิงคโปร์ว่านะครับผู้เจ้าพูดเรื่องนี้ว่าเมื่อกุลบุตรผู้นั้นได้ปฏิบัติดีๆต่อบุคคลที่รอบตัวซึ่งเปรียบด้วยทิศ ท, ทั้งหกคือพ่อแม่พิดามารดาครูบาอาจารย์ค้าธาบริวาน สมณะอะไรเหล่านี้นะฮชื่อว่ากุลบุตรนั้นได้ปกป้องอันตรายที่พึงเกิดเสียแล้วปกปิดเสียลแล้วเราควรจะทำสิ่งที่ดีนะครับการทำสิ่งที่ดีนี้มันเป็นคำพูดซึ่งกว้างส่วนรายละเอียดนั้นเราหาเองการจับไม้กวาดขึ้นกวาดขยะในโรงทํามนี้ดีไมครับเป็นการกระทำดีหรือทาชั่วง่ายมากแล้ว แล้วก็ทำในขณะนั้นๆเพราะว่าช้านิดเดียวความคิดที่เร็วๆจะแทรกขึ้นมาดังนั้นพระเจ้าบอกเมื่อจะทำดีจงรีบทำเพราะช้านิดเดียวความไม่ดีจะปรากฏขึ้นแทนที่เข้าใจไหมครับดังนั้นเราต้องทำสิ่งที่ดีและทำกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดแล้วทำทันทีคือในปัจจุบันที่ลองสารสองเรื่องนี้ก็ด้วยกันนะครับ เรื่องที่ว่าเนื่องจากตัวตนของเราเป็นสภาพซึ่งโยกโกรงเราไม่รู้จักว่าตัวตนที่แท้ของเราเ่คืออะไรเน่ดังนั้นเราต้องทำงานใช่ไหมครับเพื่อจะได้รู้จักว่าตัวเราเนี่ยมีสภาพที่เสถียรที่สุดสถาวรที่สุดอยู่ตรงไห น, น เราก็มังพิสูจน์ว่ามีอะไรบ้างที่มันเที่ยงแทยในในตัวเราแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราไม่มีโอกาสเลยที่จะรู้เที่ยงก็ไม่รู้ไม่เที่ยงก็ไม่รู้จริงไหมครับที่จริงในตัวเรามีสภาพที่เที่ยงอยู่ด้วยครับสภาพที่เที่ยงนั้นบางทีท่านก็เรียกว่าตัวสัตยธรรมหรือตัวพระนิพพานตัวที่อยู่นอกอำนาจตรงต่าง เรียกวิสังขารบ้างสภาพที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้บ้าง น, นั่นคือสภาพเสถียรสภาพตายตัวก็เรียกครับหรือที่รู้จักกันทั่วไปสภาพเป็นเช่นนั้นคือไม่เป็นอย่างอื่นเลยคือตายตัวดังนั้นเราศึกษาเข้าไปนะครับเราจะพบว่าคํา่าศึกษาในนี้ผมไม่หมายอ่านหนังสือนะเรามักจะตีความหมายเช่นนั้น นี่ครับศึกษาเราเคลื่อนมืออยู่อย่างนี้เรากำลังศึกษาตัวเราอยู่เมื่อศึกษาเข้าไปแล้วเราก็จะพบตัวเราซึ่งเป็นมนโนกติซึ่งเปลี่ยนแปลได้เช่นบางโอกาสมันหลอกลวงน บ, บางทีศัพท์วิชาการเรียก ว, วิปัสสนูอุ ป, ปกิเลสเกิดรู้สึกกตัวเองเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเป็นพระอาหารหันเนี่ยนี่คือมนโนกติเนี่ยแต่ไม่ช้าไม่นานอ้าวกิเลสเริ่เกิดอ้าวมันเปลี่ยนอีกแล้วเข้า <c oughs> ใจไหมครับ เราสำคัญตนต่างๆนานาว่าเราดีอย่างนั้นแต่เดี๋ยวมันเปลี่ยนอีกแล้วแต่เมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อยๆ เ, ยเยืสภาพซึ่งแปรปรวนเหล่านี้ค่อยๆสงบลงมันก็เผยโฉมหน้าที่แท้จริงซึ่งไม่แปรปรวนออกมาประจากการงานนะครับไม่ว่าการงานทางโลกหรือการงานกรรมฐานไม่มีการงานให้เราจะไม่รู้จักตัวเองว่าเราเป็นคนมีความ ถนัดทางใดนะครับไม่ทำงานไม่วันรู้ว่าเราอาจจะเป็นศิลปินที่ดีก็ได้หรือเป็นพ่อค้าที่ดีก็ได้หรือเป็นนักบวชที่ดีก็ได้ดังนั้นเราต้องลองทำงานเข้าไปนี่ทางโลกครับแต่ว่าถ้าทางทำแล้วเราต้องปฏิบัติกับตัวการปฏิบัตินี่แหละที่เรียกว่าศึกษาหนั่งคิดฝันนี่อย่างนี้คนไม่ ไ, มได้ศึกษา ฝันเอยรอนพอลงมือปฏิบัติหรือเราจะศึกษาเรื่องการทำไร่ทำนาเราก็ลงมือถ่ายหวานลงแรงเข้าใจไหมครับอย่างนี้เรากำลังศึกษาปรัช จ, จา ก, การเคลื่อนไหวทำกรรมฐานหรือสร้างฐานะให้ตัวเองในทางโลกนมนุษย์จะไม่รู้จักตัวเองเลย <c oughs> ต่อไปเป็นลูกเจ้าฟ้ามหาอสัตว์ก็ไม่รู้จัก ใช้เงินใช้ทองฟุง่มเฟือยจริงๆไม่รู้จักตัวเองเลยครับแต่พอลงมือทำงานนั้นไม่ช้าไม่นานเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเรามีความสันทัดชัดเจนหรือมีทักษะในทางใดบ้างที่เราถนัดที่สุดทุกๆคนจะมีสิ่งที่เองถนัดครับบางคนนี่ถนัดพูดบางคนถนัดเขียนบางคนถนัดร้องบางคนถนัดรา แต่ถ้าไม่ลงมือศึกษาจะไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยถนัดทางไหนเข้ากจี้ครับรวมความนี้เขาว่าเราจะค้นพบมนโนกติที่ถึงจุดสถิก็ด้วยการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่นั่งนึกว่าอ้ออีกหน่อยเราก็หลุดพ้นอย่างนี้ฝันครับทบทวนอีกทีหนึงนะ มนุษย์เราจะค้นพบมนโนกติซึ่งก็คือตัวแท้ของเขานะครับในลักษณะที่เสถียรคือแน่นอนด้วยการปฏิบัติทางรูปธรรมเท่านั้นทีนี้โยงมาสู่คำถามที่ว่าการปฏิบัตินั้นเราควรจะทำอะไรดีการที่เรามานั่งเคลื่อนมือนี้เป็นการทำดีหรือทำชั่วครับ เอาใครว่ายังไงบ้างครับเรามานั่ง่งนี้ทําดีหรือทําชั่วกันนะค mm hmm. ใครใครว่าเป็นการทําชั่วบ้างยกมือ mm hmm. แล้วใครว่าเป็นการทําดีครับยกมือ mm hmm. มีใครไม่เห็นด้วยบ้างว่าการทํานี้เป็นการทํา mm hmm. ทําดียกมือครับ mm hmm. ผมคนเดียวที่ การทำนี้ไม่ดีไม่ชั่วครับเห็นไหมนี้แสดงพวกเรามองในแง่ดีเกินไปทำดีอะไรผมไม่ได้ทำดีใครเลยมันนั่งยกมือแต่ว่านี่เป็นการกระทำซึ่งไม่ดีไม่ชั่วครับเข้าใจไหมครับมันเป็นกลางๆเท่านั้นทำดีอย่างที่เอาอะไรมาให้ผมตร น, นี้ก็ทำดีเพราะาผมผมได้ดื่มมีผู้ได้รับผล แต่ถ้าเราคิดต่อก็ได้ครับเมื่อเราทำอย่างนี้แม้ทำกลางๆแต่ว่าผลข้างเคียงก็คือเราหายจุนจ้านกับคนอื่นจะเรียกว่าทำดีก็ได้ก็แต่ว่าไม่ดีแท้ดีคือเรายังไม่ได้ทำอะไรให้จริงๆเลยเข้าใ <c oughs> จมครับเพียง <c oughs> แต่เราเลิกสารแน่กับเขาเท่านั้น <c oughs> จะเรียกว่าดีก็ได้แต่ดีน้อยๆครับแต่ตัวการกระทานี้ไม่ไม่ดีไม่ชั่วครับก็ยกมือเคลื่อนขึ้นมา ไม่เห็นดีไม่เห็นช่วอะไรก็ใครดังนั้นที่ว่าเราควรจะทําทําดีอันนั้นว่าในระดับที่ว่าหลังจากเรารู้สึกตัวดีแล้วเราควรจะทําสนองคุณงามความดีนะครับเช่นการช่วยสงเคราะห์ผู้อื่นอย่างนี้จึงเรียกทําดีจะพูดบอกว่าผมไม่ทําชั่วกั็พอแล้วไม่ได้ครับเอาล่ะผมจะยกไปสู่ที่พระเจ้าตรัสเองให้ฟังนะครับว่า เกณฑ์ตัดสินคุณความดีหรือขีดความสามารถของมนุษย์หรือมโนกติที่สมบูรณ์พระเจ้าท่านคิดกับท่านอย่างไรท่านบอกว่าบุคคลพึงมีศีลที่บริสุทธิ์คือความประพฤติทางกายทางวาจาต่อผู้อื่นต่อทางสังคมนี้อย่างบริสุทธิ์ใจนี่ว่าเป็นผู้มีศีลแล้วท่านก็บอกว่าความเป็นผู้มีศีลบริสุทธินั้นยังไม่พอ จะต้องบรรลุถึงสมาธิแล้วท่านบอกมีสมาธิแล้วยังไม่พอครับหรือต้องมีปัญญาที่จะละอาสวะได้ด้วยคือถึงวิมุตตหลุดพ้นแล้วท่านบอกว่าความหลุดพ้นนั้นยังไม่พอต้องบำเพ็ญประโยชน์สุขให้แกมหาชนด้วยจึงจะชื่อว่าพอเข้าใจไหมครับ รบปฏิบัติธรรมนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับที่เราจะศึกษาถึงสภาวะที่แท้แต่ว่าจากจุดนี้เราพูดยังไม่ได้ว่าเราเป็นคนดีหรือทําความดีนะแต่ว่าจากจุดนี้เองที่เราสามารถที่จะทําคุณงามความดีได้อย่างไม่เป็นทุกเข้าใจไหมครับหลายครั้งที่เราทําความดีนี่นะไปช่วยเขาเพื่อนว่าเจ็บใจคาําเรียงมันนอนกลุ้มอยู่แล้วนะคือว่าคนดีก็ร้องไห้เป็นนะ ใช่ไหครับไปทําความดีเข้าเ <c oughs> ขาไม่ย อ, อก็โมโหกลับมาน้อยอกน้อยใจก็นอนกนนี้ดังนั้นคนทคําความดีคนทคําความดีนะครับคนมุ่งทําความดียังไม่พ้นทุกข์ครับดังนั้นเราต้องปฏิบัติที่ลากฐานนะครับชั้นที่เป็นเหนือดีเหนือชั่วไม่ดีไม่ชั่วครับเพื่อที่จะได้ทําความดีอย่างไม่เป็นทุกข์ ทำความดีมากๆแล้วเดี๋ยวแข่งดีเดี๋ยวดีแตกนะผมจะบอกพวกคุณหญิงคุณนายเขาพยายามทำความดีแต่ว่าลิสยากันที่หนึ่งเลยเท่าที่ผมฟังผ่านๆหูนะพอใครดีล้าหน้านิดเดียวม้แต่นอนไม่หลับเอ๊อย่างนี้มันเรียกว่าไม่ไม่ดีผมว่าไม่ดีนะหรือใครว่าดีก็ไม่รู้แต่ถ้าสมมติเราช่วยก่อจดีแล้วชาวบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งมาช่วยก่อนนี่เราก็น่าจะยินดีนะ แต่ว่าถ้าในเรื่องของการแข่งขันเนะี่ยพอรู้สึกคนโน้นทำกบฎีล้าหน้าเนี่ยเราชักไม่ก็ชอบคือชักลิษยาขึ้นนันแสดงว่าฐานของเราไม่พอครับทบทวนใหม่อีกทีนึงครับว่าจากนิฐานเรื่องที่ว่าเจ้านายผมเป็นผู้มีพลังมหาศาลจงใช้งานผมไม่นั้นผมจะทําลายเจ้านาย ม่อความในในชีวิตของเราซ่อนศักยภาพไว้สูงพลังเนี่ยมหาศาลนะครับซึ่งเราต้องใช้ให้ทำงานและการทำงานนั้นเพื่อรู้จักมนโนกติทำให้มนโนกติที่รังเรือนนั้นเด่นชัดขึ้นมารู้จักลักษณะเสถียรเที่ยงแท้ในตัวเองต่ว่าก็เรื่องทำความดีครับแล้วก็ ทำกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราไม่ต้องคิดมากกับเรื่องทาความควรจะทาใครดีเนาะนอนคิดทั้งปีแล้วก็เลยไม่ได้ทําพอจะทาอะไรขึ้นมาเอะไม่ดีคนนั้นไม่น่าจะทาความดีให้เอาเลิกอ่านไม่คิดก็นอนเออคนนี้ก็ไม่ได้ความในสุดก็ไม่มีโอกาสครับควรจะทำกับคนที่อยู่ข้างหน้าเรา จางซื้อได้ล้อเลียนคนที่ชอบคิดหรือคลั่งความดีแต่ไม่ยอมทำความดีในเบื้องหน้านั้นอย่างนี้นะครับว่าคราวหนึ่งมีชาคนหนึ่งเขาไปตลาดเขาจะไปซื้อของที่ตลาดแล้วเขาพบปลาตะเพียนตัวหนึ่งเนี่ยกาลังดิ้นอยู่ในแอ่งน้าซึ่งกาลังแห้งลงทุกทีชายคนนั้นก็พูดกับปลาตะเพียนว่า เดี๋ยวนะผมไปดูหนังในตลาดก่อนเดี๋ยวจะกลับมาเอาน้ำมาใส่ในในในหลุมที่คุณอยู่ปราถเพียงกตะโกนวะากว่าคุณจะกลับผมก็ไปแล้วทำไมคุณไม่ช่วยผมเดี๋ยวนี้นิทานนี่เรื่องหนึ่งของจางซื้อนะครับซึ่งซึ่งดีมากเรื่องนี้ผมชอบมากเหมือนกันมีชายคนหนึ่งนะครับจะเรียกคน ชนิดไหนเดียวก็รู้เขารองเท้าของเขาขาดขณะที่เขารู้รองเท้าเขาขาดเป็นเวลากลงคืนเขาคิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปที่ร้านขายรองเทา้าจะซื้อรองเท้าสักคู่หนึ่งก็คือคล้ายๆเป็นคนบาจี เลยเอาสายวัดมาวัดขนาดรองเท้าเรียบร้อยลุงเช้าตื่นตะไกโยโหรีบไปตลาดไปเคาะประตูร้านขายรองเท้าเจ้าของร้านถามขายจะมาซื้ออะไรล่ะผมจะซื้อรองเท้าสักคู่หนึ่งตายจริงผมเอาเมื่อคืนวัดขนาดไว้แล้วเนี่ยลืมเอาเชือกที่วัดมาเจ้าของร้านบอกแล้วแล้วมึงไม่ได้เอาตีนของมึงมาหรอกหรือ คือมันเชื่อในสิ่งที่มันวัดอย่างเราฟังเขาเล่าเรื่องอะไรเราเชื่อแต่ว่าไอ้ของจริงเราไม่ด okay, ูเข้าใจไหมครับเราอาจจะพูดเรื่องจิตอย่างน้ออย่างนี้แต่ว่าของจริงๆเนี่ยไม่เห็นเหมือนกับชายคนนั้นนะครับเดี๋ยวเขาผมลืมเชือกที่วัดขนาดเจ้าของร้านก็ตอกหน้าบอกมึงไม่ได้เอาตีนมาด้วยหรือนี่ดังนั้นเราต้องดูของจริงครับว่าเราจะทําความดีนี่ ก็ทำกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราของจริงๆมันอยู่ตรงนั้นไม่ต้องมานั่งนึกก็แมาเราถ้าเราเจอชายคนหนึ่งที่หน้าทางหน้าเรื่อมสายเนี่ยเราจะทำความดีให้เขาอย่างนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นอุดมคติซึ่งเลื่อนลอยมากๆอือฮ ต้องย้อนมาทบทวนอารมณ์ด้วยนครับคทบทวนอารมณ์หมายถึงอะไ ร, ค, รคือเมื่อเราปฏิบัติกรรมฐานนี่ครับเราจะต้องมีอารมณ์กรรมฐานอยู่เหมือนว่าชายคนหนึ่งนะครับผู้หนึ่งนะี่จะเดินไปจะไปที่ท่าท่าเรือบ้านดอนเนี่พอตั้งใจที่จะไปบั้นดอนนะครับแต่แล้วเดินไปถึง ปากซอยตรงนี้ลืมเขาว่าจะไปไหนมันก็เลยเดินวนไปวนมาไปไม่ถึงดังนั้นเมื่อเราทบทวนอารมณ์นั่นะครับคือเราต้องมีอารมณ์อยู่อารมณ์ในที่นี้ผมไม่ได้หมายความรักความโกรธความเกลียคนละความหมายนะครับคือเราต้องมีอารมณ์ปฏิบัติครับเช่นเมื่อเราเคลื่อนมืออยู่เรื่องนี้ถ้าจะเปรียบทางโลกก็คือแบบผู้หญิงผู้ชายเขา เขาเกี่ยวพาราสีเขามีอารมณ์ต่อกันเข้าใจไมมคุยกันได้ตั้งครึ่งคืนไม่ง่วงด้วยหรือคนที่เล่นบิเลียดทงทีสามวันสามคืนเดินตั้งหลายสิบกิโลแต่วัาไม่เหนื่อยคือมันมีอารมณ์อยู่ในนั้นครับนั่งคุยกับหญิงไปไม่รู้กี่ชั่วโมงไปกี่มาก็ไม่รู้ไม่สนใจทั้งนั้นนี่เปรียบไปทั้งโลกนะครับเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องมีอารมณ์คล้ายๆอย่างนั้นแหละ คือเราต้องหล่อเลี้ยงอารมณ์ปฏิบัตินี้ไว้แล้วโดยการทบทวนนะครับเสียนทบทวนกันลองพลิกดูสมมติว่าในวันหน้าเรากำลังเป็นแม่ครัวผัดข้าวอยู่นะครับพอมันฟุ้งซ่านข้าวปในความคิดนี่คุณจะทำาไงดีครับรีบวางกระทะแล้วมันนั่งยกมือข้าวก็ไหม้หมด <laughs> ทำาไงดีครับ ผมแน่เอาไหยครับเอาแต่ลิ้วฟาดกระทะแรงๆตีกันไปแรงๆมันจะได้รู้สึกมีครั้งหนึ่งมีโยมคนหนึ่งสมัยนั้นผมเป็นนักบวชเขามีเรื่องกับลูกชายเขาเลยลูกเขาดื้อครับดื้อล้านมากแล้วก็พอลูกเขาดื้อแล้วเขาจะกลุ้มจนไม่รู้จะทําไงดีผมบอกเอางี้ดีไหมผมก็ทะลึ่งครับบอกว่ามโมโหลูกแล้ว ปิดประตูห้องนอนแล้วแก้ผ้านอนกลางพื้นเนี่ยผมพูดไปอย่างนั้นแต่แกทําจริงๆส <laughs> องวันมันบอกแหม่มดีจริงๆอาจารย์ย <laughs> <laughs> พรแก้ผ้าออกนอนกลางพื้นเนี่ยมันตกใจตัวเองเลยลืมโกรธ <laughs> <laughs> ดังนั้นผมยังบอกพวกเราครับเวลาง่วงเราต้องต่อสู้ครับแล้วต่อสู้อย่างไรรูรปแบบ ฟุง้งซานมากก็ตกหน้าตัวเองทีสองทีเป็นลายไปครับไม่ต้องไปหาตำรวจมาจับด้วยคือตกหน้าตัวเองถ้าคุณเดินจงกรมอยู่แล้วง่วงนอนนะครับหยุดยืนแล้วเดินถอยหลังมันจะได้หวัดเสียจะหัวหัวกมนจะได้หายง่วงเราต้องต้องแก้ไขตัวเองอย่างนี้ครับหากคนบายแล้วเมื่อเราทามันสาเร็จของเรานะครับนั่นเป็นของเราแล้ว เข้ามครับเคล็ดนั้นเป็นของเราแล้วเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับปัญหาเหมือนไม่เหมือนกันดังนั้นที่ผมพูดผมพูดคุมค้มๆไปเท่านั้นนะพูดกลางๆคุมค้มๆไปแต่ส่วนรายละเอียดคุณต้องไปหาเองครับเพราะแต่ละคนมีธาตุไม่เหมือนกันมีแนวโน้มเองไม่เหมือนกันมีภูมิหลังไม่เหมือนกันดังนั้นต้องต่อสู้เพื่อที่จะรู้จัก ทุกแง่ทุกมุมในตัวเองแล้วถ้าลงเราจับเคล็ดของเราได้นั่นคือทางของเราถ้าสมมติเราหลงแต่ทันใดที่รู้ว่าหลงนั่นแหะคือทางครับเพราะเมื่อเรารู้ว่าเราหลงอยู่อย่างไรนั่นแหละคือหนทางของเราสมมติเราขาดสติแต่ทันใดนั้เรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วว่าขาดสตินั่นคือสติครับ เข้าใจไหมครับแต่ถ้าเราขาสติเราไม่รู้ขาสตินี้เราก็เลยขาดไปเรื่อยๆแต่เพ ร, ะเราะขาดสติเอเรารู้เดี๋ยนี้เอ๊ะชักขาดสติขึ้นมาไอตัวที่รู้ว่าขาดสติเนี่ยคือสติครับคือมันมันกลับขึ้นมาทางนี้แต่ก่อนเป็นตัวนี้พอกําหนดรู้ความหลงมันกลับมาเป็นตัวนี้รู้กับหลงนี่เป็นสิ่งเดียวกันเพราะตอนไม่รู้ก็คือหลง พอตอนรู้ความหลงก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้เข้าใจไหมครับมันก็ตัวเดียวกันนี่ครับพอไม่รู้ตัวก็หลงพอรู้ตัวมันก็ไอความหลงก็หายไปเหมือนดอกบัวที่ผมยกตัวอย่างดอกตูมกับบานที่จริงมันดอกเดียวนพอมันบานมันก็ฉีกความตูมออกไ อ, กอกความตูมก็หายไปทันที